ในนะัส้สตาก็อุดเฉดนะถ้าถ้ามีคนแก้ไขให้เป็นอุดเฉตดดีกว่าบรรลุเร็วเพราะพวกอุดเฉินี้บรรลุง่ายบรรลุไม่ยากเพราะพวกนี้ปกติมันก็ไม่คล่องอยู่แล้วในนะัก็ว่าอยู่ในฝักฝ่ายแห่งความไม่กำหนัดถ้าพวกสัตตานี่สอนให้บรรลุยากมาก แต่ถ้ามองแบบไม่มีศาสนาเลยนะไม่มีคําสอนอะไรเลยศาสตะจะดีกว่าเพราะว่ามันยังทําบุญบ้างอุเฉศไม่ยอมทําบุญเนี่ยนะมันก็มีข้อดีและข้อเสียถ้ามีสมัยพุทธกาลเลยนะถ้าเป็นกลุ่มอุเฉศเนี่ยบรรลุเร็วถ้ากลุ่มศาสตะเนี่ยบรรลุยากเพราะพวกนี้มันติดข้องในพบอบาเนี่แปลเพราะว่าตัณหากับความอยากมีอยากเป็นแล้ววิเคราะห์ว่าตัณหาว่าคามไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่แปลถูก ไ, ไม่วิจารณ์ละพอละบ้าไปแล้วเมื่อกี้เดี่ยมาดูว่าถ้าในในวัตถุที่เราทําปริญญาเนี่ยนะเราสําคัญในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าพวกนี้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นอาสะวะโตใช่ไหมใช่ไหมยังไงตอนสาสะวะโตถามว่าอาสะวะกับสาสะวะต่างกันยังไง ถ้าอาสะวะหมายถึงอากุศลถ้าสาสะวะแปลว่าอารมณ์ของอากุศลตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยในฐานะเป็นอารมณ์ของอาสะวะหรือแปลว่าโคโจรแห่งอาสะวะหมายว่าเป็นดินแดนโคโจรของอาสะวะใช่ไหม อีกภาษาง่ายๆก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งเที่ยวของอาสะวะเนี่ยนะพวกนี้เป็นแหล่งเป็นที่เที่ยวเป็นที่โคโจรของอาสะวะทั้งหลายเช่นกามาสะวะก็เพลิดเพลินในสิ่งนี้ใช่ไหมทิฐาสะวะก็สําคัญสิ่งนี้เป็นเป็นอุเฉดบ้างเป็นสัสตตตถิถิบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งนะเนี่ย เป็นที่ตั้งแห่งภวาวะแล้วก็ไม่แทงตลอดอริยสัจในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอวิชชาสวะเพราะพวกนี้เป็นสาสวะโตในฐานะเป็นโคโจรแห่งอาสวะเพราถ้าใครจะพิจารณาสมุทัยศาสตร์เนี่ยจะต้องเห็นอารมณ์พวกนี้และต้องอ่านให้เป็นสมุทัยให้ได้หรือแปลว่ามณสิการตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยต้องต้องเห็นสมุทัยได้ เพราะถ้าไม่เห็นสมุทัยเลยนะกรรมมัสกตาไม่ดีเพราะเชื่อมาทำไมจึงมีตาตานี้เกิดจากอะไรสรุปนะตานี่ก็อาศัยพื้นฐานนั้นมาจากรูปตันหาใช่ไหมหูก็มาจากสัทธะตันหาจมูกมาจาก คันธะตันหาลิ้นมาจากรสะตันหากายมาจากโพธาภะตันหาใจามาจากธรรมะตันหาเห็นันตันหาเนี่ยเป็นแดนโครจรอ่าขอไปรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะเนี่ยเป็นแดนโครจรแห่งตันหา เพราะว่าตันหาที่ทําให้มีตาคือรูปปตัตนหาเป็นต้นเนี่ยนะดังๆังที่กล่าวไปเนี่ยตอนที่ชอบรูปเนี่ยนะตอนที่ชอบสีเนี่ยชอบแบบไหนชอบแบบกามชอบแบบภวะตันหาหรือชอบแบบวิภาวะตันหาเช่นยกถ้ากามะตันหา ตัญหาที่ชอบในสีด้วยอำนาจเพลดิดเพลิน ด, ด้วยกามอย่างเดียวตัญหาตัวนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดที่ไหนได้บ้างเป็นตาอะไรได้บ้างเชอบด้วยอำนาจแบบนี้นะควรจะได้ตาแบบไหนอีกถ้าชอบแบบวิพาตัญหาชอบสีเนี่ยควรจะได้ตาแบบไหนอันนี้ต้องมาวิเคราะห์ใช่ไหมอันนี้ต้องต้องมาพิจารณาให้เห็นยกตัวอย่างว่า ถ้าชอบสีคุณน้องถ้าเห็นท้าสีทองที่จะไปบูชาพระเจดีย์แล้วโอ้โหสวยมากชอบจริงๆเลยควรจะได้ตาที่ไหนมากไปนะมนุษย์เทวด า, านะมนุษย์กับเทวดาก็พอนะ เลนะลูกพระพุทธเจ้าอ่อของมีลูกด้วยเหรออันน่ะสมมติว่ามีมีสีเป็นอารมณ์อ่ะนะอ่าจังเกตถ้ามีผ้าที่จะไปห่มปม JD, ัมเจดีคนรจะเกิดที่ไหนสมมติว่าผ้าสวยมากถูกใจเลยนะเพลดิดเพลนนั้นเนี่ยทำให้มีตาของมนุษย์กับเทวดาก็ไม่คือมันอยู่แถวนี้แหละมันไม่ได้เกินนี้หรอกเพราะว่าอะไรนะ ตัวมันได้แค่เนี้มันเหมือนตัวถ้าตีตัวได้แค่นี้มันเท่านี้เลือกเกินกันนี้ไม่ได้ออกออกางนี้ก็ไม่ได้เลยนะถ้าเป็นพวกภวะตันหาพวกภวะตันหากับ ว, วิภวะตันหาเนี่ยถ้าเป็นวิถีสุดท้ายก่อนตายนะสมมติว่าชอบสีเหล่านั้นด้วยอํานาจภาวะตันหาแล้วก่อนตายเนี่ยอันนี้ก็ได้ตาอบาย นรกกับเดรฉานเนี่ยนะก็ได้ตาเพร้นเวลาที่เรามองเห็นตาของเดรฉานเนี่ยนะถ้าถ้าเจริญกรรมสรรคตาเนี่ยเห็นตาแมวตาหมาตากาตาไก่เป็นต้นเนี่ยก็เนึกเลยมาจากการมตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาที่เป็นรูปปัตนหานะทำให้มีตาเพราะว่าตัวภาวะตันหากับวิภาวะตันหาที่บายเป็น มิจฉาทิฏฐิใช่ั้มตันหาเนี่ยในฐานะเป็นเป็นแม่ทำให้มีตาฝันเวลามองเห็นตาเนี่ยเราเลยนึกถึงมาหาตันหาไหมอนะอันนั้นแหละเรียกว่าไม่เห็นสมุทัยศัพต์เลยนะก็เนี่ยเห็นตาแต่ละคู่แต่ละคู่ที่มองๆกันน่ยนะสาวไปหาไหมว่ามาจาก รูปตัตหารูปปัตนหาประเภทกามตันหาบ้างภาวะตันหาบ้างวิภวะตันหาบ้างแต่ตัวตัวที่ทําให้มีตาเป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่ตันหานะเป็นตัวกรรมแต่ว่าตันหาในฐานะต้องไม่ลืมว่าแม่ใช่ไหมตอนนี้เรากําลังเรียนฝ่ายแม่อยู่นะแต่ถ้าพูดแม่ก็พ่ออยู่ละคู่กัน มันเวลาอะไรนะดูรูปภาพนะเวลาดูภาพถ่ายเห็นตาใช่ไหมตอนนี้มาจากรูปปัตนหานะคู่เนี้ยแต่ว่ากุศลกรรมนําเกิดนนก็คิดง่ายๆอย่างนี้นะว่าถ้าเราไม่กล้าเนี่ยบอกพระพุทธเจ้าทําปริญญาในตาแล้วสูตรเขามีคิดอย่างที่เคยพาคิดใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้ากําหนดรู้จากคู่แล้วพระพุทธเจ้าละจากคูสมุทัยแล้วพระพุทธเจ้า แทงตลอดจากขูนิโรธแล้วพระพุทธเจ้าแทงตลอดจากขูนิโรธถ้าขามินีปฏิปทาแล้วเนี่ยนะซึ่งไอๆพวกนี้เราต้องมาฝึกคิดถ้าเราฝึกคิดหรือมาสาธยายธรรมะกลุ่มนี้ไม่มากนะอริยศาสต ร, ร์นี้ขอมาเป็นวิชาที่เปิดผ่านเร็วที่สุดสมุทัยนะรู้แล้วผ่านนิโรธอีกอู้ดับปัญหารู้แล้วผ่านเป็นอย่างนี้เป็นสิบปีไอ้เนื้อว่าโรครู้แล้วเนี่ยแหละ พอมาเริ่มสาธยายใช่ไหยจากขู่จากขู่สมุทยัยจากขู่ควรกําหนดรู้จากขู่สมุทัยควรละเนี่ยนะจากขู่เนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นปัจจยัยรู้มีอะไรตั้งเยอะแยะอยู่ในนั้นเนี่ยนะก็เลยเห็นอนะวิชชาเพิ่มทีนี้เมื่อมีเสียงเป็นอารมณ์เนี่ยนะตัณหาสามได้ไหมกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภ ว, วะตัณหาก็ได้ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ก็ตัณหาสามมีรสเป็นอารมณ์ก็ตัณหาสามมีโพธิภพเป็นอารมณ์ก็ตัณหาสามได้มีธรรมารมมีมธรรมะเป็นอารมณ์ก็ตัณหาสามได้ทั้นตาอรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรมรมารมเป็นที่เป็นสภาวะที่น่ารักน่าปรารถนาเนี่ยนะตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ รูปเสียงเปล่นรสโพธิพะธรรมารมณ์เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปเสียงเปล่นรสโพธิพะและธรรมารมณ์เนี่ยนะคือที่มันยากคือมองเห็นสีแล้วยังถึงตัณหานี่สิอันนี้ยาที่เรียกว่าการเข้าไปวิจัยสีเนี่ยนะว่าสีมีกี่รูปกี่สมุทฐานมาจากอะไรเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็นับว่ายากพอสมควรนะใช่ แล้วบอกว่าเห็นสีปั๊บอย่างถึงว่าเป็นที่ตั้งแห่งตันหาสามเนี่ยอย่างไรเป็นกามะตันหาอย่างไรเป็นภาวะตันหาอย่างไรเป็นวิภาวะตันหาอันนี้ยากขึ้น <c oughs> อย่างรูปรูปตันหานี่นะเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปนิเสยปัจจัยถูกไหมครับที่จะไปทําให้เกิดตาใหม่นี่นะฮะหมายวม่าอากุศลเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสมมติจะเกิดเป็นตาคนนะฮะ อกุศลทําให้เกิดกุศลมิบากได้โดยอุปนิสัยถูกไหมครับเพราะว่าทำกรรมดีทํากรรมดีไปได้เกิดเป็นเป็นตามนุษย์นะฮะทำกรรมดีแต่ว่าตามนุษย์นั้นเนี่ยอาศัยรูปปัญหาอันนี้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ให้ได้ตาอันนั้นมันดูมั น, มนกับโขนอยู่เหมือนกันนะกรรมนั้นต้องเป็นกุศ ล, ลกรรมจึงทําให้ในตาเป็นเป็นตามนุษย์ สวนตัวที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยกลายเป็นว่าเป็นตัวตัวอาุสลก็วัตถ <s> ุเดียวไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวเช่นเราพูดถึงนะทวารตาอาศัยตากับรูปเกิดอะไรจากขรวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิด เมตนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดปาทานูปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดกรรมนกรรมเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยเท่ากับเป็นเหมือนกับ แม่กรรมตัวนี้เท่ากับเป็นพ่อเห็นไะหมพันธนาอ่ะนะตันหาตัวนี้เรียกเรียกชื่อว่ารูปปัตนหารูปปัตนหาทำให้มีตาแต่ว่าคือเขาสร้างตาแต่โครงการออกแบบตานี่อยู่ที่กรรมมันเหมือนว่าคำสั่งบอกมีตาส่วนตาจะเอียงจะเขจะเลจะตาแบบอบายหรืออะไรก็ตามแต่เธอ อยู่ที่กรรมเพราะฉะนั้นทาระของตันหาบอกว่าต้องมีตาคือว่ามีคำสั่งออกมาแบบนี้แล้วนะส่วนจะได้ตาแบบไหนอยู่ที่ที่ที่กรรมมันก็มาจากว่าตาอย่างเดียวเนี่ยมีตันหาเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยมีกรรมเป็นนานักขณิกกรรม ถ้าเขียนแผนชาติแบบนี้มองเห็นเลยคือสงสัยว่าตรงที่รูปปัญหานี่นะฮะมันเป็นกรมตัญหาภาวะปัญหาวิภาวะปัญหาการกามตัญหาไม่สงสัยแต่ภาวตัญหากับ ว, วิภาวะตัญหานี่ชักสงสัยว่าแล้วกรรมดี แต่เป็นภาะวะที่ภาะวะตันหาเนกรรมตัวนี้ที่ทำให้มีตาเนกนะัมดีทั้งหมดกุศลกรร ม, ด, รมรดวงที่เจ็ดหนึ่งสองดวงที่สองถึงดวงที่หกเนะนี่ยนะนี่ในที่หนึ่งนี่ในที่สองซึ่งคนละเรื่องนะคนละเรื่องเลยนะออนนี้เข้าใจถ้าถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะถ้าถ้ามองแบบเปรียบเทียบในหนึ่งว่า ตันหาสมมติว่าคนคนหนึ่งอ น, นะไปเห็นอะไรสักอย่างแล้วชอบไปเห็นดอกไม้ก็แล้วกันเดินผ่านงานแต่งงานอนะจัดไม้ดอกไม้ประดับนะไปเห็นกระถางหนึ่งชอบชอบเสร็จแล้วก็ควักสตังซื้อถามว่าไอชอบกับสตังนี่มันเรื่องเดียวกันไหมแล้วสตังที่เอามาซื้อเนี่ยมันเป็นผลของอะไรแล้วทําไมทํางานอันนั้นทําไมจึงได้ดอกไม้เนี่ยนะ แต่ถ้าจะบอกว่าถ้าจะเรียกว่าชอบอย่างเดียวจึงได้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าชอบมีสตังอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าตันหาไม่เอาก็ไม่ซื้ออะ่พะพังก็ด้วยเหตุผลทั้งสองประการจึงได้ดอกไม้พวงหนึ่งกลับมาฉันใดผู้ที่มีตาเนี่ยนะก็ด้วยเหตุผลสองประการคือทั้งตันหากับกรรมทีนี้ในบรรดากรรมที่จะให้ผลเนี่ยนะสมมติว่าตันหาชอบสีอย่างเดียวเนี่ยให้มีตา แต่กรรมเนี่ยไม่รู้ว่าไปเอากรรมมาแต่ปางไหนมาให้ผลบางทีเนี่ยเมื่อแสนกลับที่แล้วนะไปดึงเอากรรมเมื่อแสนกลับที่แล้วอนะมามาซื้อเอาตานี้ขึ้นมาเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งสวยเลยใช่ไหชอบมากก็เลยไปขุดเอามรดกเก่าเมื่อสะสมเมื่อกี่สิบปีที่แล้วนะเลวเอาออกมาซื้ออันนั้นออกมาคล้ายๆลักษณะนี้ ก็ไม่สงสัยในเรื่องนี้ครับในเรื่องกรรมนี่นะฮะและให้ได้ตาเนี่นแต่มงเออในรูปตันหานี่มันมีทั้งสามอย่างกรรมาตันหาแล้วก็เกิดทั้งกรรมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาให้มีตาได้ทั้งหมดจะ<า>ตันหาใดก็ตามวิภวะตันหาก็ได้ก็ได้ตาดีเหมือนกันถ้ากรรมดีเอ่อพวกวิภวะตันหาเนี่ยนะให้ตาแม้กระทั่งตาพรมเพราะว่าภาระของที่จะให้ตาเนี่ยนะ ในภพสามในในการมาพบกับรูปประพบเนี่ยนะภพสองในกําเนิดสี่ในคติห้าเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ภาระของตันหาแต่เป็นภาระของกรรมเพราะฉะนั้นขอให้ชอบสีอย่างเดียวนะที่เหลือไม่ใช่ภาระของของของของตันหาละเป็นเป็นงานของกรรมเพราะฉะนั้นแต่ถ้าละตันหาซะอย่างเดียวนะกรรมถึงมีอยู่ก็เป็น ก็เป็นอะไรกลายเป็นกิริยาไปเป็นอโหสิไปคือหมดสภาพที่จะให้ผลต่อไปเนี่ยนะถึงมีอยู่แต่ว่าอะไรนะเหมือนอะไรเลิกใช้แล้วอะ่ะ คือถ้าโดยโดยหลักการ น, นะสมมติว่าเราเวลาเราเลือกผ้าเนี่ยต้องรูปปัญหาก่อนผ้าสีต้องต้องผ้าสีที่เราชอบอ่างนั้นเถอะทําไมเราไม่ไปเอาผ้าอย่างอื่นน่ะ ท, ที่ที่ก็เราไม่ชอบอเราชอบแบบนี้อันนี้เป็นรูปปะตัญหาของเราทีนี้แปลเป็นกุศลกรรมหลังจากนั้นก็กุศลกรรมเพราะเป็นน้อมเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะถ้ามองตรงๆแล้วเนี่ยเหตุผลสองประการทําให้มีตาในภพใหม่ แต่การเจริญกุศลเนี่ยกุศลกรรมที่เราเจริญเนี่ยเราตั้งปกะตูเพื่อ น, นิพพานะนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งเพื่อให้มีตาอนะสิ่งที่เราเจริญจริงๆคือเจริญอันนี้อยู่เนี่ยนะตั้งเรียกว่ า, ากรรมเนี่ยมันให้ผลอย่างนี้แต่ตั้งอัธยาศาัยเป็นวิวัตตะเอาไว้ อ๋ออันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเอาผ้ามาทําปริญญาล้เพราะว่ากรรมอันนี้เนี่ยนะกุศลตัวนี้แบ่งออกเป็นสมกายะอะไรนะปารพผ้าเนี่ยเป็นทานปรารพเป็นศีลปรารพเป็นภาวนาเนี่ยคือกรรมแล้วแต่ว่าทําเป็นพุทธบูชาเนี่ยเป็นประเภททานนะกุศลหรือปรารพเป็นศีลกุศลหรือภาวนากุศลอันนี้ซึ่งทานศีลภาวนาก็ให้ผลมีตายอยู่ดี ถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยเพื่อออกนะตัวกรรมจริงๆอ่ะนะแม้แต่เรียนธรรมะก็ให้ผลเป็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นให้ผลเป็นตาเนี่ยแม้กระทั่งให้ทานรักษาศีลก็ให้ผลเป็นตานั่นแหละแต่เราไม่ได้รักษาจเจริญเพื่อกรร ม, มะปัจจัยเพราะบรรดาปัจจัยนี้เขาแบ่งเป็นกลุ่มๆอยู่9กลุ่มกลุ่มที่ที่พูดแบบกรรมเนี่ยทำให้มีตาเรียกว่าพูดนานนะักขาคณิกะกรรมมะปัจจัย แต่ที่กุศลเป็นปัจจัยกุศลชั้นล่างเป็นปัจจัยแก่กุศลชั้นสูงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแล้เวเปรียบอย่างนี้ดีกว่าเหมือนอย่างว่าถ้าจบปรตรีจบปโทจบเอกอย่างง้นะถามว่าถ้าตีแลรายได้ควรเท่าไหร่ถ้าจบโท ร, รายได้เท่าไหร่ถ้าจบเอกรายได้เท่าไหร่อย่างเงี้ย ตอนที่เราเรียนเตรีเนี่ยเรียนเพื่อก็มีตั้งเพื่อสองอย่างจะเบนประเด็นไปหาอันไหนหมายความว่าจะต้องการรายได้ตามตามวุฒิที่จบมาไหมหรือต้องการเรียนความรู้อันนี้เป็นบาสเพื่อจะไปเรียนวิชาชั้นสูงต่อไปมันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มแบบนี้พันตอนที่เราสมมติว่าไอเรียนอันนี้เหมือนกับการเจริญกุศลเราต้องการวิบากไหมล่ะ ถ้าต้องการมิบัตรก็เหมือนกับว่าต้องการรายได้จากจากความรู้อันนี้หรือจากกุศลอันนี้ซึ่งที่เรากําลังเรียนอยู่นี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เราวัตถุประสงค์ต้องการเรียนอาศัยวิชานี้เป็นบาตจะได้ศึกษาชั้นสูงๆต่อไปเนี่ยนะอันนี้อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งคือการเจริญกุศลธรรมเนี่ยเพื่อเพื่อแม้กระทั่งนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อจะออกหนงะ จบเอกแล้วจะได้ออกทันทีไม่ใช่จบเพื่อจะอยู่พันการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะหรือการเจริญกุศลธรรมเนี่ยเข้ามองสอ ง, สองกลุ่มคือที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยกับกรรมมะปัจจัยทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เจริญทาบุญไม่เหมือนคนอื่นอย่างเช่นโชธิกะเรษทีเป็นต้นด้วยผลแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพวกนี้เอาหมด สาธุด้วยบุญในนี้เกิดปางใดนะครับพรเจ้าอย่าได้ทุกข์อย่าได้ยากตาอยาได้เอียงอยได้เขยอยได้เลย์อ่าได้อะไรเลยให้มีตาสวยเสร็จแล้วก็ให้มีตาเนี่ยไปเจริญกสินได้กสินแล้วเขาให้เจริญนิพพานนาบรร ล, ลุมรรคผลเนี่ยพวกนี้วางแผนยาวมากเลยเรียกว่าปรารถนาสมบัติสมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติพวกนี้จะตั้งความปรารถนาเอาเอาสามอย่าง แต่ก็ในพระไตวิโดกเขาก็นิยมใช้กันอยู่นะเขาก็นิยมทํำทำกันอยู่แต่พวกนี้จะนานหน่อยเป็นตันหาเหมืกันไหมเนี่ยถือว่าเป็นตันหาเหมือนกันตั ว, ต, วตัวที่ปรารถนามนุษย์สมบัติกษัตริย์สมบัติเป็นตันหาตัวที่ปรารถนานิพพานไม่ใช่ตันหาผมยังสงสัยนิดนึงครับเรื่องกรรมเรื่องกรรมนี่นะฮะว่าทําให้ไปเกิดตายังยังพอพอระบุได้ว่าเป็นกรรมเป็นกรรมอันไหนนะีแต่ตันหาแหละ แต่ตัณหาเนี่ยอันไหนครับคือถ้าตัณหาเนี่ยในลักษณะของตัณหาเนี่ยตัณหาที่มันนำเกิดคือว่าไอ้ที่เคยชอบเนี่ยนะที่เคยชอบผ่านมาเนี่ยถ้าอย่างเรานะตั้งวันนี้ไปอีกเราอาจจะไม่ชอบก็าตามเป็นกุศลไปตลอดเลยแต่ไอ้ที่เคยชอบมาเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะให้มีตาเพียงพอแล้วเว้นไว้แต่ว่าไปเจริญอันนี้จนเป็นอริยมรรคแทน อริยมรรคตัวนี้เป็นตัวสำรองตันหาถ้ามองในแง่อย่างเงีงย้งยจะเห็นก็หมายความว่าตันหาเนี่ยในอดีตทุกตันหารวนเป็นอุปนิเชยปัจจัยได้หมดเลยเป็นได้หมดเลยท่านในในตันหาทุกตันหาพระองค์จึงกล่าว่าโปโนโปพวิกาถึงจะนำเกิดหรือไม่นำเกิดก็ชื่อว่าโปโนโปพวิกาหมดตัวตั ว, ตวเป็นตัวที่นำไปสู่พบใหม่ทั้งหมด ทีนี้ถ้าตันหาเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยคือตัวที่นําเกิดในพบใหม่ใช่ไหมถามว่าบุคคลผู้เป็นผ้าอรหันต์ชาติสุดท้ายตันหาอันนั้นนําเกิดพบใหม่ไหมไม่ไม่นำเกิดฉนั้นตันหาที่เป็นสมุทรยศาสตร์เนี่ยนะมันตัวที่ทําให้มีทุกตอนเนี้คือผลพวงของตันหาในในอดีตตันหาในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเรายอมจำนน์ก็จะนำพนําเกิดในพบใหม่เพราเราจึงไม่จำนน์จึงจเจริญ อรยมรรคแทนเนี่ยนะมามามาใช้ชีวิตในโลกไตรสิกขาแทนที่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกว่าตัณหาที่เคยชอบมาเนี่ยนะเพียงพอแล้วที่จะทำให้มีตาะนะถือว่าพอจริงๆเลยนะโกนด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นพวกที่อะไรนะพวกศึกษาธรรมะไม่ดีนะก็บอกว่าพอตอนหลังมาเขาทําตัวเป็นไม่ชอบอะไรเลยเขานึกว่าเขาละตันหาแล้วใช่ไหมคือคือพอมบบก็ทําตัวนี่เราก็อย่าไปชอบสีซะแล้วก็อย่าไปชอบเสียงซะเขารู้จักไอตัวที่เคยชอบที่ผ่านมาน้อยไปไอตัวที่เคยชอบที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหอันนั้นยิ่งใหญ่มากตัวตัวที่เคยชอบนะ เพราะฉะนั้นตัวที่จะประหารไม่ให้ในหน่รติปกรณ์นะพูดถึงตัณหาให้ผลเป็ น, ปนทิฏฐธรรมก็มีให้ผลเป็นอุปชะก็มีให้ผลเป็นอัปราปริยะก็มีเพราะตัวอภิชานะอภิชาเปให้ผลเป็นทิฏฐธรรมก็มีอุปชะก็มีอัปราปริยะก็มีตนะรรมมมมแต่ว่าถ้าอันนี้ถ้ามองแบบกรรมมะปัจจัยะนะแต่ถ้าเป็นอุปนิสัยอ่ะนะก็ ก็เพาะเชื้อเอาไว้แล้วนะเพาะเชื้อเอาไว้แล้วยางอย่างเราลืมตาดูโดยที่ไม่รักคายเคืองแม้แต่นิดเดียวโดยนะชอบหมดเลยอันเนี้ยเป็นต้นเหตุให้มีตาเขียนง่ายๆว่าไอตัวตันหาเนี่ยนะตอนนี้อะสมมติว่าตอนหลังไม่มีตันหาก็จริงแต่รูปอันเนี้ยทำประญญาหรือยัง มันอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากไม่อยู่ที่ตรงนี้ทำตัวชังบอกฉันไม่ชอบแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ชอบเป็นเหตุให้มีตาใช่ไหมตั้งอันนี้ไปฉันเลือกชอบไม่ได้อยู่ที่ความชอบหรือความชังตรงนี้หรอกมันอยู่ที่ว่าทำปริญญาสามในรูปหรือยังมันอยู่ตรงนี้ต่างหากที่จะทำให้ไม่มีตาไม่ได้อยู่ที่ว่าตรงนี้เพราะตัวสีเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่ง ชอบกับชังเพราะนั้นบางคนกลัวว่าเออตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมก็เลยทําตัวทําตัวมีโทสะเลยไม่ชอบอะไรสักอย่างะนะเพราะตัวเองกลัวจะได้มีตาอีกไม่ได้แก้ด้วยวิธีนี้วิธีแก้ก็คือยาตะตีระนะตหานะในรูปเนี้ยอันนี้คือวิธีแก้ไม่ได้แก้ที่นี่ แต่ทีนี้บางคนก็กพอหลังจากนั้นเลิกชอบเลยก็เลยนึกว่าไม่มีอะไระนะอย่างสมมติว่าเอาถ้าเป็นอะไรนะรสะตันหานี่เห็นชัดเลยอาหารเนี่ยเราเคยชอบอู้อร่อยมากเมื่อก่อนติดจริงๆเลยนะขาดอันนี้ไม่ได้ตอนหลังก็ก็ทานไปอย่า ง, งนะั้นให้มสัตว์แต่ว่ามีชีวิตไปฉัทนทานไปปัจเจกไปพิจารณาไปด้วยกุศลไปถามว่า ตัวตันหาที่เคยชอบเป็นเหตุให้มีลิ้นอยู่ไหมก็บอกว่าเพราะสักแต่ว่าทานแล้วปัจจเวกก็ยังเป็นเหตุให้มีลิ้นอีกอยู่ดีจนกว่าเนี่ยปริญญาสามในรถเพียงพอนั่นแหละจึงจะละลิ้นได้จริงๆเนีย่ยนะไม่ใช่สักแต่ว่าเออเนี่ยกินสักแต่ว่ากินไปช้เฉยเข้าไว้กลืนๆไปเถอะเนีย่ยนะแล้วก็พอละ ตัญหาก็เป็นอันถูกละด้วยประการอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่มรรคนะเพราะตัวที่ไปละจริงๆก็คือที่มรรคเนี่ยมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปริญญา3ามบริบูรณ์แล้วนะเพราะฉะนั้นเอ่อพวกที่ศึกษาธรรมะไม่ดีศึกไม่เข้าใจ ก, กรรมสกตาเนี่ยนะก็เลยตอนหลังมาก็ทำตัวเหมือนทำตัวเคร่งครัดนึกว่าพ้นแล้วที่ไหนได้ไม่ใช่หรอกเพราะมรรคไม่เกิดเลย เพราะตัวที่จะละจริงๆเนี่ยอยู่ที่มรแปดอย่างหลายๆคนเนี่ยอย่างญาติบางคนเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเคยทุ่ศีลมาใช่ไเขาเคยฆ่าสัตว์เคยอะไรมาเยอะะตอนหลังเขาก็มารักษาศีลเขาบอกว่าเขาไม่ไปอบายแลย้วเขาบอกงั้นมาฟังว่าสังเวชใจเลยไม่รู้สัอย่างพูดอะไรก็ได้หมดเลอ เขารู้จักอะไรนะดวงที่สองถึงดวงที่หกเป็นต้นน้อยไปไม่นำสู่มันสีนำสู่ยังไงก็ต้องไปท่องศีล น, นำมาซึ่งอวิปฏิสานอาวิปฏิสาณ น, นำมาซึ่งปราโมทย0ี่สบคั่ น, นั่ น, นะไล่ไปเถอะนั่นะ ไ, ไม่ใช่ว่าโอ้อยู่แค่ศีลแค่นั้ น, นเนี่ยเว้นจากฆ่าสัตว์อยู่แค่เนี่ยแล้วก็นิพพานเลยไม่ใช่หรอกร เ, รอเรื่องยาว ศึกษาธรรมะนะถ้าได้ยินเขาว่าอันนี้เป็นปัจจัยเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นปัจจัยเดียวนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นอันขาดีเดียวอะไรตัวหนึ่งเป็นปัจจัยตัวให้เกิดตัวหนึ่งนนั้แสดงตัวนั้นเป็นปัจจัยสําคัญจริงแต่ตัวอื่นอีกเยอะแยะ่ถือว่าต้องรู้ขอย่างอ น, นะอวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดอาเ น, นชาพิสังขารเนี่ยโง่ อ, อย่างเดียวเลยได้รู้ประชานแล้วกคิดแบบนี้เลยนะหมดเวลาล้ว ว่าไมบบไอก็ได้ครับฝ <c oughs> ยังกิยนยกตัวอย่างนะอวิชาเป็นปัจจัยแก่มหากุศล8รูปาวจรกุศลหา้าแล้วก็อรูปาวจรกุศลสี่แปอมหากุศล8ดรูปาวจรกุศลห้านี่เรียกว่าปุญญาพิสังขาร อั น, นะอรูปปชาตสี่เป็นอนเนชาพิสังขาร น, น, นะสังขารสามนี้มีอวิชาเป็นปัดไอ้สังขารเหล่านี้มีวิชาเป็นปัจจัยโง่อย่างเดียวเลยเป็นปัจจัยให้เนี่ย โ, โหรักษาศีลอย่างยีงย่ยำเลยนะอวิชาเป็นปัจจัยแต่ก่อนที่ฟังแลําขัดหูมากเลยนะนเธจจ อ, อเพียงคือท่านอยากจะบอกว่าหนึ่งเพราะไม่มีอริยมรรคมาก่อนหน้านี้ย เขาไม่เคยมีมักมาก่อนหน้านี้เลยนั่นแหละประกาศถึงความมีอวิชชายกตัวอย่างว่าเนี่เรามาเนี่ยกุศลเนี่ยให้ทานศีลฟังธรรมเนี่ยนะมหากุศลตัวนี้แล้วให้ผลนําเกิดชื่อว่ากุศลนี้มีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะไม่แทงตลอดอริยสัจถ้าไม่รู้อริยสัจถือว่าอาวิชชา อวิชชาเนี่ยเกิดร่วมกับอากุศนกี่ดวงสิบสองดวงโมหะเจตสิกที่ในอกุศลสิบสองดวงเนี่ยเป็นตัดใจให้ทำบุญบ้างทำสิ่งที่ไม่ใช่บุญบ้างเรียกว่าบาปเนี่ยนะแล้วก็ทำที่เป็นอเนชชาบ้างเพราะั้นอันนี้ส์พวกนี้ก็คือพบสามโดยที่มีอวิชชาเป็นปัจจัย แต่ถามว่าเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาจริงๆเลยนะมหากุศลเนี่ยโดยเฉพาะยาณสัมปยุตสีเนี่ยเกิดไม่ได้เพราะมันปเป็นตัวปัญญาล้วนๆเนี่ยยาณสัมปยุตใช่ไหมแล้วฌานเนี่ยถ้างโง่จริงๆเนี่ยไม่ได้ฌานแน่นอนไม่ข่มกามไม่พิจารณาโทษภัยของกามเต็มที่เลยนะไม่ได้ฌานแน่แล้วถ้าจะได้อารูปฌานด้วยนะถ้าไม่เห็นโทษของทั้งหมดเนี่ยยังไม่เข้าไปได้รูปฌานปัญญาทั้งนั้นแหละแต่ว่า ถือว่าปัญญาเหล่านี้กุศลเหล่านี้มียวิชาเป็นปัจจัยเหตุผลเพราะไม่บรรลุเพราะไม่แทงตลอดอริยสัจเพราะนั้นพอมาทํากรรมอย่างนี้พวกนี้ก็เป็นกรรมใช่ไหมกรรมนี้ก็พบสามวัตฐ์ก็ดําเนินไปอย่างนี้เพราะั้นอวิชชาเองในทางธรรมะถือว่าไม่รู้อริยสัจเป็นประมาณเห็นไหม